พระนางเขมาหรท่านหลงโรกหลงความสวยความงามในบารมีท่านเต็มมันได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจขนะึ้นในคนที่หลงอยู่ในความสุขความสบายโอกาสจะภาวนาให้ห่างโลกไปยากโลกมันมีแรงดึงดูดมากนี่เจาชายสิท ธ, ธัตถะหรือพระยาา่าสรในบารมีท่านเต็มท่านเห็นความไร้สาระของโลก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 ใครเคยเป็นบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิพวกนี้มีของเก่าเนี่ยทรมาแต่ชาติปังก่อนอยางบางคนนะดูจิตได้เองตอนตกใจตกใจขึ้นจิตไหววับเง่นสติระลึกขึ้นได้เองเยตื่นขึ้นมาเลยแต่ไปต่อไม่เป็นมันลืมไปอีกเจ้าชายศิทัศนก็เหมือนกันตอนเล็กๆ เ, เลยทาอานาปนาสติและจิตตื่นขึ้นมาแต้ท่านไปตอไม่เป็นท่านก็ลืมไปอีก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 จิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งตรงที่จิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งเรียกว่าพบจิตกระทำกรรมขึ้นมาเงเกตพอมันกระทำกรรมขึ้นมานะเราขาดสติขาดปัญญาจิตจะไปหยิบฉวยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถือเอาไว้นี่พราะสติปัญญามันไม่พอจิตทำกรรมขึ้นมาได้เพราะอะไรมีพบขึ้นมาได้เพราะจิตเข้าไปจับเอาไว้